ภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัตรเดิมลดฐานะเป็นสามเณรเป็นต้นภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุผู้ควรแก่การชักเข้าหาอาบัตรเดิมลดฐานะเป็นสามเณรการลดฐานะและเกิดวิกลจริตละ มีจิตฟุ้งซ่านและกระสับกระส่ายเพราะเวทนาและถูกสงลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตและถูกสงลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตและถูกสงลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่สลัดทิฏฐิบาปการชักภิกสุผู้ถูกสงลงอุกเขปนียกรรมนั้น เข้าหาอาบัตเดิมใช้ไม่ได้ถ้าภิกษุนั้นถูกเรียกเข้าหมู่อีกให้ปริวาทเดิมนั้นแหละแก่ภิกษุนั้นปริวาทที่ให้แล้วเป็นอันให้ดีแล้วปริวาทที่อยู่แล้วเป็นอันอยู่ดีแล้วสงฆ์พึงชักภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิม